เสียงอ่านพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สพระวินัยปิฎกเล่มที่สี่มหาวัักหนึ่งหน้าที่ส1ิเทับสา4อสข้อที่สี่สิบสาเรื่องปฏิหาที่ห้าก็โดยสมัยนั้นแลชดินอุรุเวละกัสปะได้เตรียมการบูชายันเป็นการใหญ่และประชาชนชาวอังคะและมะคตทั้งสิน้น ถือของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากบ่ายหน้ามุ่งไปหาจึงชะดินอุรุเวลกัสปะได้ดำริว่าอืมบัดนี้เราได้เตรียมการบูชายันเป็นการใหญ่และประชาชนชาวอังคะและมะคตทั้งสิน้นได้นำของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากบ่ายหน้ามุ่งมหาถ่าพระมหาสมณะจักทำอิทิปาติหารในหมู่มหาชน ลาบสการะจากเจริญยิ่งแก่พระมาหาสมณะลาบสการะของเราจากเสื่อมโอ้ทำไงวันพรุ่งนี้พระมาหารมณะจึงจะมาไม่จึงจะมาไม่ได้ไม่มาชั้นโนาะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตตกแห่งจิตของฉดินอุรเวละกัสปะด้วยพระทัยแล้วเสด็จไปอุตรกุรุทวีป ทรงนําบินทบาทมาจากอุตรกุรุทวีปนั้นแล้วสเสวยที่ริมสาอนุดาประทับกลางวันอยู่ณที่นั้นแหละครั้นล่วงราตรีนั้นชดินอุรุเวละกสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงเวลาได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะพัตนาหารเสร็จแล้วเพราะเหตุไรเนอ วันนี้ท่านจึงไม่มาเป็นความจริงพวกข้าพเจ้าระลึกถึงท่านว่าเพราะเหตุไรหนาพระมหาสมณะจึงไม่มาแต่ส่วนแห่งข้าท่านียารนข้าพเจ้าได้จัดไว้เพื่อท่านพระผู้มีพระภาคตรัส้อนถามว่าดูก่อนกษัสริท่านได้ดำริอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่าบัดนี้เราได้เตรียมการบูชายัญเป็นการใหญ่ และประชาชนชาวอังคะและมะคตทั้งสิ้นได้นําของเคี้ยวและของบริโภคเป็นอันมากบ่ายหน้ามุ่งมหาถ้าพระมหาสมณะจับทํารรอิทธิปาติหารในหมู่มหาชนลาบสการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะลาบสการะของเราจักเสื่อมโอชะไหนทำชะไหนวันพรุ่งนี้พระมหาสมณะจึงจะไม่มาฉันดูก่อนกัสปั เรานั้นแหลทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านด้วยใจของเราจึงไปอุตตรกรุรทวีปนําบินทบาทมาจากอุตรคุรทวีปนั้นมาฉันที่ริมสระอนุดาตแล้วได้พักกลางวันอยู่ณที่นั้นแหละทีนั้นชาดินปุรเวลกระสบะได้ดําริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ จึงด้ทราบความคิดนึกแม้ด้วยใจได้แต่ก็ไม่เป็นพระอาหารหันเหมือนเราแน่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสวยพระตาหารของดินอุรุเวละกกสปะแล้วประทับอยู่ณไทรสนตำบนนั้นแลปฏิหารที่ห้าจบ